นโมัวตัสักภควาตัวอรหัตตัวสัมมาสัมพุทธัสสะนามัวตัดสักภควาตัวอรหัตตัวสัมมาสัมพุทธัสสะ อิติปิโสภควาอระหังสัมมาสัมพุทโววิชชาจารณะสัมปันโนสุขตัวโลกภวิทุอานุตตาโรภุริสธรรมะสาริสัทธาเทวมนุตสานางพุทโธภควาตี สวะคะตัวภะคะวตาธรรมโมสันทิโกะตักกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนายโกะปัดจตังเวทิสาโควินโยหิเตสุปติปันโนะภะคะวะตสาวกสังโฆโอจุปฏิปันโนะภะคะวะตสาวกสังโฆ ยายาปฏิปันโนะภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนะภะคะวะโตสาวกสังโฆยาทิทางจัตตาริปุริสยุคานิอัตถุริสปุกกะรา เอสปะขวัตวสาวกสังโคอาหูนโยปะหูนโยทักกินโยอันชนีกันนโยอนุตรานปุญจเคตังโลกัสตีอาหุงสหัสสมปินนมมิตาสาวุทันตัง พิเมฆลังดุทิตโกราชเสนมารังทานาทิธรรมวิธินาชิตวามุนินโถะตันเตจะสาวาวัตตุเตชะยมังคลานิสมเด็จมุนี สีสุดกลาหารชนะพยามารผู้ใจบมัมมารันรนนิมิตแค่หนึ่งพันมือครบครันธนูศรดาบโลและโตโมอนอาวุธกาย ต, าต่างกันที่กิริไ ม, ม่กุ้นชนมากกนมนิกรมากขนาดเสียงค้องกึกที่ลึกล่นหน่ากัรคร้ามวาดหวัว่นใจ องจอมมุดีนาศประทับอาจไม่วานไว้ทรงชัยชนะนอาอิดโดยพระธรรมวิธีคือทานเป็นเบื้องต้นโยธาผลพระชินสิอุเบคาบารมีครบสิบทัตทรงจัดมาขอชัยยมงคลจงเกิดผลสมปราถนา แต่ท่านด้วยเดชานุภาพชายมุนินทนมาราติเรกะมะพิยุทธิตาสัพการติงโครามปนาลวกรรมธครมธัตุยักษ์ขัง ทันเตียสุทันตะวิชินาชิตตวามุนิน陀ตันเตชะะสาภวตุเตชะยมังคลานิสมเดกจอมุนีชินาสิ มาหิสรชนะยักฐานทรมุขลุกและหยาบคายชื่ออาะะะละวะกักธละดูเลือลายยิ่งกว่ามานมากมายรบกันถึงรงราตรีทรงชนะด้วยธรรมะพระสุทันตะวิธีคันติบารมีที่ได้ทรงบำเพ็ญมา ชัยมงคลจงเกิดพ้นสมปรารถนาแก่ท่านด้วยเดชานุภาพชายมุิน ราคิริงกัจาวรังอาทิตตาผูตั้งทาวขิจจักมาสนิยวสุธารุนันตังเมตตมุสเสกกวิจินาทิตวาอุนิทโทาตันเตจัสสมภวตุเตจชยมังขลานี ะนะยอดคุณชนชื่อว่านาราิรีเมามันอาละวาดร้กาดนักดังอักดีไม่ป่าพนาลีอัดสนิบาทฟาดตุ ก, กันวิกมาหน้าพึ่งกลัวเพราะเมามัวด้วยโมหันหวังทิมแทงพระจอมทันให้มรณาดวยงาตนพระจอมมุนีนา ได้วาดวันกระมลทรงรถด้วยสายชนอันเปี่ยมล้นคือเมตตาข้อชัยมงคลจงเกิดพน้นทรงปราถนาแก่ท่านด้วยเดชานุภาพไทยมุนิน อิทธักขมติหัตสุทารุนันตังทาวันติโยชนะปัทังบุ้ลีมารวันตังอิทีพิสังขตมโมจิตวามุนินโทตันเตชสานพราวตุเตชยมังคลานิ จอมมุนีชินศรีมาิตสอนชนะจอมโจนจอมชื่อว่าองค์ุกมานเมื่อดาบไล่ติดตามสินสามโยดวางสังหารภายแพ้องค์สงยานด้วยแรงริ้นพระศาสดาขอชัยมงค์พนจงเกิดพนสมปรารถนา แก่ท่านด้วยเนชานุภาพชัยมุลินทน์กัตตวานาคตธรรมุทรังอิวะคาพินิยากินจายทุตจวจนชนะชนกายามันเช สันเตณโสมวิธินาชิตวามุนินโทะตันเตจะสาภาวะตุเตชัยมังคาลานิสมิจมุนิชินาสีมาหิตสอน ชนะชมบางอ่อนจินจะมาณวิกาสแสดงแจงมีพันกับโจมทานประศาสดาเสแส้งแกลง้งุตซาสร้างกังา้ามหาชนอง์จมมุนีนารงสามารถชนะชะงนด้วยวิธีไซโซผลดุดจันเพนเดนนาภาพอชัยมงคลจงเกิด มนสุมปราถนาแก่ทันด้วยเดชานุภาพชัยมุนินทนฺธสัจจังวิหายามติสัจจกวาทะเกตุม วาทาพิโลธิตามันนังอาทิอันถะภูตังปัญญาปฏิปัชชริตัวชิตตวามุนินโทวตันเตชะสามภาวตุเตชยมังคะลานิ ศีมหิศนชนะวาทกรชื่อสัก์จักรนิปรนยกตรงคือวาทะไม่มีใครจะเทียบตนมัวเมาและมืดมนยกตัวล้นปนประมาณสมเด็จพระพุทธ นาด้วยปัญญายานดุดประทีบชันชวานส่งสว่างกระจ่างตาขอชัยมงคลจงเกิดผลสมปรารถนาแก่ท่านด้วยเดชานุภาพชายมุน นันโทปะนันทะพุชัคัางวิพุทางมหิตทิยงปุตเตนะเทระพุชะเทนทมาปยันตวอิทถูวปะเทสวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวะตุเตชะยมังลาลิ เด็ดจอมุนีชินาสีมหิตซอนชนะนาคานาทอนชื่อนันโทปนันทบุญชงคิดผิดมีฤทธิ์มากข้างวายากระเรืองลงยกตนขึ้นเป็นธงไม่มีใครมาเปรียบานโปรไทยพระโมคคลาเป็นนาคาไปทรมานแสดงฤทธ จึงยอมแพ้แต่นั้นมาขอชชยมงคลจงเกิดผลสมปรารถนาแก่ท่านด้วยเดชานุภาพชัยมูหิน คาหัติทิพุชเกนสุทัศหัตถังพระมังวิสุทธิสุติมิตรทิพกาภิพาณังญานาเทนวิจินาชิตตวามุดินโทตันเตชะสาภาวะตุเตชยมังขลานิ เด็ดจอมมุดีชินสีมาิตสอนชนะพรมบินทรชื่อว่าท้าพกาพรมรุงฤทธิเดชเรื่องพระเวศวิเศษสมสู้รบพระโคดมเอกุดมไตรโลกา ด, างดังหิงห้อยที่ดอยแสงมาคันแข่งพระสุริยาต้องย่อยยับกลับปราเป็นเพียง ทรงชนะและสร้างซอนด้วยยานคตาพรของสมเด็จประศาทสดาขอชัยมอมพลจงเกิดพลสมปรารถนาแก่ท่านด้วยเดชานุภาพชัยมุนี ตาปิพุทธชยมังคละอัธคาธาโยวาจโนทินทิเนสารเตมทันเตียหิตตวานเนกวิวิธานิจุปัตถวานิโมขังสุขังอาทินมัยยโรสะปัญโย คาถายอดมาอุดมพรชัยมงคลคุณนากรสวดสรรเสริญอันเชิญมาผู้ใดได้สวดฟังนอนหรือนั่งภาวนาประลึกถึงพระคาถาเป็นประจำทุกวันวานผู้นั้นจะเปลืองทุกมีแต่สุขเกษ ศัตรูมุ่งให้ผ่านและกำจัดอันตรายผู้ที่มีปัญญาภาวนาสาธยายจะมีสุขสบายถึงสุดท้ายคือนิพพาน มหาการุณิโกนาโทโหิตายสัพพปานินางปุเรตะปารมีสัพภาปัตโตสัมพัวทิมุตตมัง สุขชาวประชาสรรพสัตว์ทั่วสาคับบำเพ็ญบารมีอนเนกมีมากเหลือล้นลำบากตรากตรมทนเนิ่นนานพ้นจะประมาณสิ้นสีอสมไัยยิงกำไรแสนกับการบรรลุโภธิยานตรัสรู้สัจจธรรม มักผลอันสูงสุดเป็นพระพุทธผู้เลิศล้ำประอุตสั์ตรัสแนะนำให้กระทำคุณความดี เต่นะสัจจวัตเชนนะหวตุเตชยยังขลังชยยันตัวผัวทยามูเลสักยานางนันทวัฒโนะโดยสัจจวัจจาดังกล่าวมาข้างตนนี้ ชัมงคลจงเกิดมีแก่ท่านนี้โดยเร็วพลันพระองค์ทรงมีชัยนภายใ ต, ต้ต้นโพนั้นเจริญสุขคารหันแก่สากยพระดามี ตังตวังวิเชโยโหหิเัยยัสสุเชยมังคะเรอัปปาราชิตปัน ล, ลังแกศีเ ส, ส, สปะทวิปุระเรขอท่านจงชนะดังองค์พระชิ น, นสี ชัยมานไยรีนแทนที่ใต้ต้นโพไม่มีใครได้ชนะดุดรังองค์พระพุทธโทบารมียิ่งพินโยเนื้อแผ่นพื้นปัตภี พระพุทธ า, างคอาคาปะโตปโม ท, ทติสุนักาตังสุมางคลังสุปปาตังสุพุติตังได้พุทธาพิเศษเป็นองค์เอกชินศี ยิ่งจอมมุนีบันดามีแต่ก่อนมาพระองค์ทรงเบิกบานโปรดประธานพระศาสนาพระทรงทรงสืบมาตราบเข้าถึงปัจจุบันเป็นเรื่องดีมงคนดีสว่างดีมีครบครันกลางคืนและกลางวันดีด้วยกันดังกล่าวมา ขโนสุมุหุตโตจสุยิตธังปรามาจาริสุปทักคินางกายกรรมมังว่าจากรรมมังปทักขินางปาัทขินางมโนกรรมมังปณิทีเตปัทคินาปัทคินานิกัตวานารพันนาเทปัทคีเน ยามดีมงคลศีศาสนากราบไหว้ให้ทักษินาในพระสงฆ์ทรงคุณดีกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมน้ำวิธีบูชาพรมมารีประเสริฐศีทุกประการ พระธรรมพระทักษิณเวียนขวาสินตติยวนเข้ารพแบบโบราณได้รักษาประเพณีทำแล้วพองแผวจิตบุญสำริดพิสิทธิสุภพพลมงคนดีสมใจหวังดังต้องการ ผวตุสัพพมังขะลังรักขันตุสัพระเทวตาสาพพุทธานุภาเวนะสทัสโสทีะวันตุเตผวาตุสัพพมังคะลังรักขันตุสัพระเทวตาสพธรรมานุภาเวนะสทัสโธทีะวันตุเต พระวตุสัพพมังกลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพสังขานุภาเอนาสัทสุธิ์พะวันตุเต เกษมสานถวยเทพอภิบาลทุกที่ว่าและราตรีอนุภาพพระพุทธจงชนะมูไยรีขอสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ท่านทืนขอสัพพมงคลชื่นกระมนกะเกษมสานถวยเทพอภิบาลทุก ท, ทีท่พาและราตรี อานุภาพพระธรรมจงชนะหมู่ไพรีขอสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ท่านทื่นขอสัพพะมงคลชื่นกระมนกษะเสมสานถวยเทพอภิบาลทุกที่ภาและราตรีอานุภาพพระสังฆะจงชนะหมู่ไพรีขอสุขสวัสดี จงเกิดมีแก่ท่านเธอ